6. ทุติยปวารณาสิขาบท 89. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นำของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดนไปปวารณาภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพัดดาหารแล้วณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่ง ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งนำของฉันที่ไม่เป็นเดนไปปรวรณาภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพระตาหารแล้วในทุติยปรวรณาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติในทุติยปรวรณาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐาน